คนเรามีหน้าที่ต่อชีวิตนะหลายประการแล้วหน้าที่พื้นฐานเนี่ยหนีไม่พ้นนะสองประการเนียก็คือรักษาชีวิตให้อยู่รอดแล้วก็ปลอดภัยที่เหลือนอกนั้นเนี่ยเช่นความสุขหรือว่าการ ทำให้ชีวมีคุณค่ารวมไปถึงการทำให้ชีวิตเนี่ยจเจริญงอกงามในทางธรรมทั้งหมดเนี่ยนะมันก็ขึ้นอยู่กับพื้นฐานสองข้อเนี่ยคืออยู่รอดแล้วก็ปลอดภัยถ้าอยู่ไม่รอดหรือไม่ปลอดภัยไอ้ที่เหลือนี่มันก็ไม่ต้องพูดถึง รวมทั้งการใช้ชีวิตเพื่อแสวงหาความสุขหรือว่าสิ่งอื่นๆมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ที่จริงเดี๋ยวนี้เวลาเราใช้คาว่าหรือพูดว่าใช้ชีวิตเนี่ยใช้ชีวิตเต็มร้อยเดี๋ยวนี้เป็นคำที่พูดกันบ่อยนะเราจะใช้ชีวิตเต็มร้อยได้เราก็ต้องมีหน้าที่ต่อชีวิต ด้วยเหมือนกับเราจะใช้รถยนต์เราจะใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยเราก็ต้องมีหน้าที่ต่อสิ่งเหล่านั้นแะหน้าที่ต่อชีวิตเนี่ยขั้นพื้นฐานก็อย่างที่ว่านะอยู่รอดแล้วก็ปลอดภัยาการที่ชีวิตของเราเนี่ยจะปลอดจากภัยอันตรายต่างๆนเนี่ยเราก็ต้องรู้ ก, ก่อนว่าภัยเนี่ยมันมีอะไรบ้าง พจาตัดว่าเนี่ยภัยหรืออันตรายนี้มีสองประการประการแรกคือภัยที่ปรากฏหรืออันตรายที่ปรากฏประการที่สองก็คือภัยหรืออันตรายที่ปกปิดภัยที่ปรากฏนะก็เช่นเสือสิงโตช้างหมาป่างูตะขาบแมงป่องรวมทั้ง โรคภัยไข้เจ็บต่างๆซึ่งมีมากมายโรคไข้ทรพิษโรคบิดโรคไอขิวา่าและเดี๋ยวนี้ก็ต้องรวมถึงโรคมะเร็งโรคหัวใจแล้วก็โรคโควิดและยังมีอีกนะความร้อนความหนาวความหิวรวมทั้งอันตรายจาก มแมลงต่างๆอันนี้เรียกมรวมว่าอันตรายที่ปรากฏส่วนอันตรายที่ปกปิดเนี่ยนะก็ได้แก่โลภโกรธหลงความอิจฉาลิษยาความถือดีความหลงตนรวมทั้งความต้อ ง, ง, งกินเลต่างๆ นิวรทั้ง5เนี่ยนะก็รวมจัดว่าเป็นอันตรายที่ปกปิดด้วยซึ่งถ้าจะพูดง่ายๆเนี่ยอันตรายที่ปรากฏก็หมายถึงอันตรายจากภายนอกส่วนอันตรายที่ปกปิดก็คือภัยที่เกิดขึ้นภายใน ภายในคือในใจของเราทุกวันนี้เนี่ยภัยจากภายนอกเนี่ยมันก็น้อยลงนะไม่ว่าจะจากสัตว์ร้ายงูเงี้ยวเขี้ยวคอเดี๋ยวนี้บางคนถ้าจะไม่เคยเห็นเสือเห็นช้างในป่าที่จะมาคุกคามเอาชีวิตเราเลย ไม่เหมือนคนสมัยก่อนนะที่ต้องเจออันตรายเหล่านี้เป็นประจำต้องคอยลบคอยหรือคอยเลี่ยงเดี๋ยวนี้เรามีชีวิต ท, ที่ปลอดภัยจากสิ่งเหล่านี้มากขึ้นเรื่อยๆ อ, อาจจะองอาจจะยังต้องระวังโจรต้องระวังขโมยซึ่งก็จัดเป็นอันตรายที่ปรากฏ อีกเส้นหนึ่งหรือเดี๋ยวนี้ก็ต้องระมัดระวังโรคโควิดแล้วก็โรคติดเชื้อต่างๆแม้กระทั่งโรคหวัดแต่มันก็เป็นภัยที่คุกคามเราน้อยลงไปเรื่อยๆอาจจะมีภัยอย่างใหม่เช่นรถยนต์ซึ่งก็ต้องระมัดระวังเวลาข้ามถนนหรือเวลาขับขี่ยวดยาน แต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็รบกวหรือคุกคามเราน้อยกว่าภายประการที่สองนะในปัจจุบันเนี่ยคนเดิมนี่เนี่ยมีความทุกข์เพราะอารมณ์ต่างๆความโกรธความโลบความอิจฉาความเครียดความวิตกกังวลความเศร้าโศก ความหอเหี่ยวแล้วเดี๋ยวนี้ก็ต้องรวไมไปถึงความซึมเศร้าด้วยพวกนี้เรียกว่าเป็นภัยที่ปกปิดซึ่งกลายเป็นปัญหาใหญ่ของคนทุกวันนี้ในขณะที่เราสร้างบ้านมีรูหอบขอบชิด มีกำแพงแน่นหนามีกล้องวงจรปิดที่จะช่วยให้เราเนี่ยปลอดภัยจากสัตว์ร้ายจากผู้ประสงค์ร้ายหรือจากความร้อนความหนาวแต่ว่าเรากลับถูกคุกคามนะด้วยภัยที่มัน เกิดขึ้นภายในใจของเราที่พระเจ้าเรียกว่าอันตรายที่ปกปิดอันนี้เป็นปัญหาใหญ่ของคนในยุคปัจจุบันมีความเครียดสูงมีความว้าเหวมีความกดดันในจิตใจมีความรุ่มร้อนเผาล่นใจเรื่องต่ำๆนั่นก็คือความฟุ้งซ่านที่มันทำให้ใจเนี่ยไม่ พบกับความสงบกลับเต็มไปด้วยความวิตกกังวลความเศร้าความหงุดหงิดความขุ่นเคืองทำให้หลายคนนอนไม่หลับจะไม่หลายคนกระสับ ก, กระส่ายอยู่ร้อนนอนทุกขทั้ง ท, งที่อยู่ในบ้านที่สะดวกสบายมีรั้วรอกขอบชิดแน่นหนานี่คือปัญหาของคนในปัจจุบัน แต่ทั้งที่เรามีอุปกรณ์และเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่จะป้องกันภยัยจากภายนอกแต่สิ่งที่จะรักษาใจของเราให้ปลอดจากภัยภายในนี่มันแท่ไม่มีเลยใจเราก็เลยเหมือนกับตกอยู่ภายใต้การลุมกระหน่ำซ้ำเติมนะของภัยจากภายใน ซึ่งก็สุดง่ายๆคือเป็นเรื่องของความคิดและอารมณ์ต่างๆที่มันเผารนบีบคั้นกรีดแทงใจหรือว่ากดทวงนงทับให้รู้สึกหนักอึ้งและนี่คงเป็นเหตุผลที่หลายคนมาที่นี่มาเพื่อที่จะได้หาวิธีในการที่จะรักษาใจ ไม่ให้เกิดความทุกข์หรือว่าถูกรุมเร้าด้วยภัยหรืออันตรายอย่างที่ว่าและสิ่งที่หลายคนปรารถนาคือว่าอยากจะหาวิธีทำให้ใจมันสงบไม่มีความคิดไม่มีอารมณ์ต่างๆมารบ ก, กวน แลเวลาพูดถึงการทำใจให้สงบหรือปลอดจากอารมณ์เหล่านี้เนี่ยเราก็มักจะนึกถึงการบังคับจิตไม่ให้มันคิดไม่ให้มันฟุ้งปรุงแต่งเพราะเรารู้นะเห็นชัดนะว่ามันทุกข์เพราะความคิดเดี๋ยวนี้เราไม่ได้ทุกข์เพราะสิ่งภายนอกเท่าไหร่ หรืออาจจะทุกข์เพราะสิ่งภายนอกแต่สุดท้ายมันก็มาลงตรงที่ความคิดนี่แหละจริงๆถ้าเรามาดูนะัเนี่ยเราทุกข์เพราะความคิดมากเลยถ้าเราไม่คิดถึงหนี้ศินนะเราไม่ได้คิดถึงลูกหรือพ่อแม่คนรักที่กําลัง เจ็บป่วยหรือกำลังมีพฤติกรรมที่น่าวิตกเนี่ยเราก็ไม่เครียดนะแต่พอนึกปุ๊บนี่รู้สึกเครียดรู้สึกหนักอกหนักใจขึ้นมาแล้วบ่อยครั้งเนี่ยปัญหาที่ทำให้เราเครียดนี่มันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะบางทีมันยังไม่ทันเกิดด้วยซ้ำ แต่คิดไปล่วงหน้าแล้วนะคิดไปล่วงหน้าสร้างภาพปรุงแต่งไปแล้วนะว่ามันจะเกิดขึ้นในอนาคตรหรือรอเราอยู่ในวันข้างหน้าและบางอย่างมก็เป็นอดีตไปแล้วนะมันจบลงแล้วแต่เราไม่อยอมให้มันจบด้วยนะใจก็ยังเผลอคิดนะก็เลยรู้สึกเครียดรู้สึกเศร้าโศกรู้สึกโกรธแค้น และจะวางมันก็วางไม่ได้ก็เลยคิดหาวิธีที่จะทำให้ใจไม่คิดถึงสิ่งเหล่านั้นหลายคนก็เลยนึกถึงการพยายามบังคับควบคุมจิตไม่ให้คิดแต่มันยากนะะจิตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สั่งได้ยากแล้วก็ควบคุมได้ยากด้วย ถ้าเราพยายามบังคับควบคุมจิตไม่คิดนี่เราจะทุกข์นะเราจะเพิ่มหรือเราจะสร้างความทุกข์เพิ่มขึ้นมาทุกข์ที่ไม่สามารถบังคับจิตให้หยุดคิดได้ไอตอนที่ไม่มีความปรารถนาจะบังคับจิตนี่มันก็ไม่ทุกข์นะพอมีความปรารถนาที่จะบังคับจิตให้มันหยุดคิดให้มันนิ่งคราวนี้ เกิดทุกข์ขึ้นมาเลยทุกตัวใหม่เพราะว่าบังคับเท่าไหร่มันก็ไม่ยอมหยุดแต่ถ้าเราลองอีกวิธีหนึ่งนะก็คือว่ายอมหรืออนุญาตให้มันคิดแต่ว่าก็ให้รู้ทันความคิดนั้นถ้าเรารู้ทันความคิดหรืออารมณ์ที่ผุดขึ้นมาได้เร็วเท่าไหร่เนี่ย ไอ้ความคิดละอารมณ์ที่เกิดขึ้นตามมามันก็จะมารบกวนจิตใจเราได้น้อยนะาการปฏิบัติที่นี่เนี่ยเรามาเน้นที่ตรงนี้นะซึ่งอาจจะตรงข้ามหรือว่าสวนทางกับความเข้าใจของคนจำนวนมากเวลาพูดถึงกรรมฐานากรรมฐานคือการที่ทำให้ใจมันไม่คิดทำให้ใจมันไม่ไหลไปอดีต ไม่ให้ลอยไปอนาคตรหรือไม่ส่งกันไปนอกตัวบังคับจิตให้มันอยู่นิ่งๆอยู่กับลมหายใจอยู่กับเท้าที่เดินอยู่กับมือที่ขยับบางทีก็เพื่อไม่ให้มันฟุ้งมากก็ต้องหลับตาอยู่นิ่งๆเท่านั้นไม่พอต้องมีการกำกับจิตด้วยคำ บริกรรมเช่นนับนะหนหรือว่าพุทโธพุทโธหรือหาคำบริกรรมใดๆก็ตามนะที่จะกำกับจิตไม่ให้มันคิดแต่การปฏิบัติที่นี่เนี่ยเราไม่ทำอย่างนั้นเราไม่เน้นตรงนั้นคืออนุญาตหรือยอมให้มันคิดได้แต่ว่ารู้ทันมันหรือว่าเห็นมันได้อย่างรวดเร็ว หรือผู้ใหญ่ก็คือว่าแทนที่จะบังคับจิตไม่ให้ไปโน่นไปนี่เรามาฝึกให้มันกลับมากลับมาที่ไหนนะกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวกลับมาอยู่กับปัจจุบัน mm hmm. หลวงพ่อคำเขียนท่านเคยพูดว่าเนี่ยการปฏิบัติเนี่ยมันเน้นตรงที่เนียเก่งมันเก่งตรงที่กลับมา หมายความว่าความก้าวหน้าการปฏิบัติเนี่ยหรือว่าการเจริญสติเนี่ยมันดูตรงที่ว่ามันกลับมาได้ไวไหมไม่ใช่เก่งตรงที่ไม่ไปนะเราควรไปเข้าใจว่าความก้าวหน้าการปฏิบัติอยู่ที่ว่าใจมันไม่ไปไหนใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวหรือว่าอยู่นิ่งๆบางทีไปว่ากันตรงนั้นนะปัญหาใจเกิดไปโน่นไปนี่อันนี้ถือว่ายัางไม่ก้าวหน้า แต่ที่จริงแล้วเนี่ยในการเจริญสติเนี่ยสิ่งสําคัญคือว่ามันกลับมาได้เร็วมันกลับมาได้ไวไหมอ น, นุญาตให้มันไปแต่ว่าจะฝึกให้มันเนี่ยกลับมาไวๆฝึกได้ด้วยการที่มีสติรู้ทันให ม, ม่ๆในคนที่ไม่คุ้นการปฏิบัติแบบนี้เนี่ยก็จะรู้สึก อึดอัดนะเพราะว่าไม่อยากให้มันไปไปโน่นเพราะมันไปทีไรก็ไปเอาทุกมามันไปคิดแต่เรื่องร้ายๆมันแต่คิดแต่เรื่องที่ทําให้วิตกกังวลอันนั้นเป็นเพราะเราไม่รู้ทันนะไม่รู้ทันความคิดจริงๆแล้วเนี่ยมันที่เมื่อกี้เพราะว่าเราทุกเพราะความคิดเนี่ยมันยังพูดไม่ถูกนะ ต้งเพื่อเราทุกเพราะไม่รู้ทันความคิดเราห้ามจิตไม่ให้คิดไม่ได้แต่ว่าเราสามารถฝึกจิตให้รู้ทันความคิดได้ฝึกด้วยการสร้างสติหรือว่าพัฒนาสติให้ทำงานได้ฉับไวเพราะฉะนั้นเนี่ยการฝึกแบบนี้จะไม่มีการบังคับจิต ไม่คิดหรือว่าห้ามคิดนะหลวงพ่อเทียนท่านพูดเนี่ยอย่าไปห้ามคิดนะมันจะคิดก็ให้มันคิดไปแต่เราไม่คิดไปกับมันและที่สาคัญคือว่ามันคิดมันก็ดีมกันนะท่านบอกยิ่งคิดก็ยิ่งรู้หมายความว่ายิ่งเผลอคิดเมื่อไหร่ ยิ่งเผลอคิดเท่าไหร่เนี่ยมันก็ยิ่งรู้ทันความคิดได้มากเราจะฝึกจิตให้รู้ทันความคิดเนี่ยที่เผลอไปเนี่ยมันก็ต้องปล่อยให้หรือยอมให้มันเผลอขึ้นมก่อนเราจึงค่อยไปรู้ทันมันเกิเมื่อคนเราจะฉลาดได้เราก็ต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดและเราจะเรียนรู้จากความผิดพลาดได้เราก็ต้องยอมให้มันผิดก่อน พอมันผิดแล้วเราก็เรียนรู้จากความผิดพลาดถ้ามันไม่ผิดพลาดเลยแล้วเราจะเรียนรู้จากความผิดพลาดได้อย่างไรหลายคนเนี่ยฉลาดเนี่ยเพราะเขาเรียนรู้จากความผิดพลาดแล้วเขาก็เรียนรู้ได้เพราะเ็ายอมผิดก่อนอย่างนักเรียนที่พูดเก่งพูดภาษาต่างประเทศพูดภาษาอังกฤษเก่ง พูดได้คล่องเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาไม่กลัวผิดนักเรียนไทยเนี่ยจำนวนมากเนี่ยเรียนภาษาอังกฤษมาเป็น10ปีแต่พูดไม่ได้เลยครูที่เขาเก่งนี่เลยนี่เขาบอกเนี่ยเป็นเพราะว่าเด็กไทยเนี่ยกลัวผิดก็เลยไม่ยอมพูดพอไม่ยอมพูดเลยเพราะกลัวผิดกรมมาฟมั่งกลัวผิด t ท n ส์มั่งมันก็เลย พูดไม่เก่งพูดไม่เป็นพูดไม่คล่องนะคะที่เด็กบางคนนี่เขาไม่กลัวผิดเขาพูดไปผิดไกดแกรมมาผิดไวยากรณ์ผิดเช่นแต่เขาก็เลยรู้จากความผิดนั้นแล้วเาก็เลยฉลาดแล้วเขาก็เลยพูดได้คล่องแลการปฏิบัติการเจริญสติก็เหมือนกันนะเราฝึกสติจากการที่รู้ทันความหลง รู้ทันเมื่อใจมันเผลอคิดไปเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งหลงเท่าไหร่มันก็ยิ่งรู้คือรู้ทันได้มากขึ้นเท่านั้นนั่นจะว่าไปการปฏิบัติแบบนี้มันก็ง่ายนะเพราะมันไม่เน้นเรื่องการควบคุมความคิดเลยมันไม่เน้นเรื่องการไปผ้ามจิตให้หยุดคิดอันนี้ให้จิตเนี่ยหรือนี่ให้ความคิดมันคิดไป หน้าที่ของเราก็คือรู้ทันซึ่งความหมายนั้นคือว่าเมื่อเผลอคิดไปแล้วก็เราลึกได้ว่ากำลังทำอะไรอยู่จนขนาที่กำลังฟังอรตมาบรรยายนีย่บางคนก็ใจลอยเดี๋ยวไปโน่นเดี๋ยวไปข้างนอกเดี๋ยวกลับมาที่หอใจถามว่าเราไม่บังคับมันมันจะไปก็ช่างมันแต่ว่าดึงมันกลับมาหรือชวน มันกลับมาเราก็ฝึกกันแบบนี้แหละเร้จะสังเกตว่าการที่จิตมันกลับมาหรือว่าเราลึกได้ว่ากาลังฟังคบญญาบรรยายอนี่มันเกิดขึ้นเองนะจิตเราเผลอคิดไปถึงบ้านคิดไปถึงลกูกคิดไปถึงพ่อแม่คิดไปถึงงานการเสร็จ แ, แล้วมาเราลึกขึ้นมาได้ว่ากำลังฟังคบญญาบรรยายู่แล้วมันกลับมาเลย ไอตอนที่กลับมาเนี่ยเรียกว่ากลับมาอยู่กับปัจจุบันที่มันทําเช่นไ ด, ได้เพราะว่ามันมีสติระลึกได้เราไม่ได้ระลึกได้ในเรื่องอดีตนะอันนั้นเราใช้สติที่เราเรียกว่าสามัญสติในการระลึกเรื่องอดีตได้แต่ว่าสิ่งที่เราต้องฝึกเพิ่มขึ้นก็คือการระลึกได้ว่ากําลังทําอะไรอยู่ในปัจจุบันแล้วก็สังเกตได้ในะขณะที่เรา ฟังคําบรรยายบางทีใจเราก็ไหลไปอดีตลอยไปนาคตเสร็จแล้วเรา เ, ราเราลือกได้ว่ากําลังฟังคําบรรยายอยู่หรือในทางที่เรากําลังนั่งสร้างจังหวะเดินจงกรมบ่อยครั้งเนี่ยหรือว่าเวลาส่วนใหญ่มันหมดไปกับการที่เผลอใจลอยซึ่งก็มักจะหนีไม่พ้น2เรื่องนะไหลไปอดีตลอยไปนาคตเริ่ก็ไปแต่และครั้งก็นาน แต่ว่ามันจะมีช่วงเวลาหนึ่งนะที่มันเกิดแล้เลิกขึ้นมาได้ว่ากาลังเดินอยู่กำลังสร้างจังหวะอยู่ได้ละเรียกว่ากลับมาแล้วกลับมาอยู่กับปัจจุบันกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวสิ่งที่เราต้องการคือตรงนี้แหละนะกลับมาไม่ใช่บังคับไม่ให้ไปเราไม่บังคับถ้ามันจะไปก็ไปแต่เราจะฝึกให้มันกลับมาแล้วมันก็กลับมาเองนะ ตรงนี้มันบังคับไม่ได้แต่เราจะสังเกตว่าถ้าเราทํำบ่อยๆทําไปนานๆทาไปเรื่อยๆ เ, เนี่ยมันจะกลับมาได้ไวขึ้นมันจะกลับมาได้เร็วขึ้นมันจะไปไม่นานแต่ก่อนมันไปนานเลยนะคิดไปแ9เ้าเรื่องถึงจะกลับมาได้นะแต่ตอนหลังคิดไปได้แค่ห้าหเรื่องก็กลับมาแล้วั น, นที่หลวงพ่อเขียนว่าเก่งมันเก่งตรงที่กลับมาคือตรงนี้แหละคือมันระลึกได้ไว อันนี้มันตรงข้ามกับที่เราเคยฝึกมานะศัพหลายค น, นเราไปฝึกไม่ให้มันไปพอมันไปเมื่อไหร่เราก็จะงุดหงิดแล้วยิ่งพยายามที่จะเคี่ยวมากขึ้นเข้มมากขึ้นเพื่อบงังคับให้มันไปแต่มันก็ไปอยู่นั่นแหละพอเราทำนี้มาบ่อยๆพยายามควบคุมมันเราก็จะเครียดเราก็จะหงุดหงิดและบางคนก็จะรู้สึกท้อว่า มันคิดมากหรือเกินคิดบางไม่ใช่ปัญหานะปัญหาอยู่ตรงที่ว่าพยายามบังคับไม่ให้คิดหรือพยายามบังคับควบคุมให้มันคิดน้อยน้อยตรงนี้คือปัญหาวางความอยากวางความพยายามที่จะบังคับจิตให้มันคิดน้อยน้อยหรือว่าว า, วางความรู้สึกรลบที่มันคิดมากๆ ม, มันคิดมากก็ช่างมันแต่ขอให้รู้ทันได้ไว อย่าไปเป็นปฏิปักรู้สึกงุนงงกับการที่มันคิดมากเพราะหนึ่งมันเป็นธรรมชาติมันห้ามไม่ได้สองการที่มันคิดมากก็ดีเหมือนกันนะเพราะมันก็เป็นดบาบฝึกหัดให้สติได้ทำงานได้มากขึ้นบ่อยขึ้นคือรู้ทันความคิดแต่ไม่าอย่าเพิ่งไปสนใจนะ้ความคิดน่อย่าไปสนใจ ว่าจะรู้ทันความคิดได้มากแค่ไหนให้มาสนใจเพียงแค่มารู้กายก่อนอันนี้เป็นเรื่องที่ง่ายกว่ามารู้กายรู้กายคือรู้สึกเมื่อเดินเมื่อเท้าขยับเมื่อตัวขยื่นหรือรู้สึกเมื่อมือยกเป็นจังหวะรู้สึกเบาๆไม่ต้องไปเพ่งมันมันลอยไปไหนเดี๋ยวมันก็จะกลับมา เพราะวาความรู้สึกเนี่ยมันจะไปเตือนมันจะไปสะกิดความรู้สึกของกายเราเองเนี่ยมันจะเป็นตัวไปสะกิด ใ, ใจที่ลอยไหลให้กลับมาคล้ายๆกับเวลาเราใจลอยเนี่ยคิดฟุง้งปรงแต่งแล้วมีคนมาแตะมือเรามีเพื่อนมาแตะมือเรามีเพื่อนมาแตะไหลเราไอ้ที่ลอยไปโน่นไปนี่มันกลับมาเลยมันเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมา เป็นความสึกตัวหรือรู้เนื้อรู้ตัวเพราะว่ามีใครมาส ก, กิดนะหรือใครมาแตะไหล่เราแต่ว่าไม่ต้องมีใครมาแตะไหล่เราก็ได้ไอความรู้สึกที่ทกายมันเคลื่อนไหวที่มือขยับที่เท้าขยื่นนี่แหละมันจะเป็นเหมือนตัวที่มาส ก, กิดใจที่ไหลลอยหรือเพลอให กลับมาหรือกลับมารู้เนื้อรู้ตัวเพราะการรู้กายนี่สำคัญนะอย่าไปดูแคลนมันงั้นถ้าเราฝึกกายบ่อยๆไอความรู้สุกทางกายมันจะเป็นตัวช่วยให้จิตกลับมาได้ไวแล้วพอจิตกลับมาไวๆหรือกลับมาได้ไวขึ้นไวขึ้นมันก็แปลว่าสติของเราเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ทำให้เรามีความสึกตัวมากขึ้น ตรงนี้แหละนะที่เราเรียกว่ามีความก้าวหน้าแล้วเรื่องที่หลวงพ่อบ เ, เค็ญท่านเชื่อว่ามันเก่งเมื่อมันกลับมาเพราะฉะั้นมันคิดมากคิดเยอะก็ไม่เป็นไรพอให้กลับมาไวๆกลับมาทุกทีก็แล้วกันแต่ก็ต้องยอมแล้วว่ากว่ามันจะกลับมามันช้านะใหม่ๆหมก็ต้องอดทนนะอย่ารีบอย่าเร่งรีบทำไปเรื่อยๆแล้วก็จะเห็นผลนะเห็น ว่าความรู้สึกตัวเนี่ยมันเกิดขึ้นต่อเนื่องมากขึ้นรู้เนื้อรู้ตัวได้ไวขึ้น